พวกเราอุตส่าห์สละเวลามาถึงที่นี่แล้ ว, ลวก็ขอให้ใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อการปฏิบัติอย่างเต็มที่การปฏิบัติอย่างเต็มที่นี่มันไม่ได้หมายความว่าต้องโหมนะ หรือว่าต้องจัดหาเวลาพิเศษสำหรับการปฏิบัติการปฏิบัติของเราควรพยายามให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันการเจริญสตินี่มันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าทำได้ตลอดเวลาทำได้ทุกที่ทุกโอกาสไม่เหมือนกับการ ทำสมาธินะที่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเช่นต้องอาศัยที่ที่สงบต้องไปนั่งในห้องพระหรือว่าต้องติดแอร์เพื่อไม่ให้เสียงมารบ ก, กวนแต่เจริญสตินี่ทำได้ตลอดเวลาถ้าเข้าใจว่าเจริญสติคืออะไร ตอนที่บวชในใหม่หมวันแรกหลวงพ่อเทียนท่านก็ให้กรรมาฐานให้สั้นๆแล้วก็ประโยชน์หนึ่งท่านก็บอกว่าให้ให้ทำนะเต็มที่นะ้วก็ถามว่าวันหนึ่งทำวันละกี่ชั่วโมงตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงในใจก็คิดว่า หลังฉันเช้าสักเก้าโมงก็ค่อยเริ่มจนถึงสี่โมงเย็นในนี้เราคิดแบบคนทำงานกินเงินเดือนหลวงพ่อเทียนบอกว่าให้ทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเข้านอนเลยเาก็ตกใจว่าจะทำได้ยังไงเพราะว่าขนาด ทำสมาธิชั่วโมงนึ่งก็รู้สึกว่านานไปแล้วทาไม่ได้แต่ว่าการปฏิบัติที่หลวงพ่อเทียนท่านพูดถึงนี่ท่านหมายถึงว่าให้มีสติรู้ตัวคือว่าทำอะไรก็ตามก็ให้รู้คือรู้ตัวหรือรู้สึกรู้สึกกับรู้สึกตัวนะอันนี้ก็มีความหมายเหมือนกัน ตื่นขึ้นมาก็รู้ว่านะกำลังทำอะไรอยู่มันงัวงเงียก็รู้ว่ามันงัวงเงียลุกนะขึ้นมาก็รู้ว่าลุกขึ้นแต่ว่าไม่ต้องเพ่งนะอย่าไปเพ่งมันจะทำแล้วก็ตามอาบน้ำถูฟันไปบินทบาทก็ให้เป็นการเจริญสติโดยเพราะพวกเรา อย่างพระนี่ก็ไปบิณฑบาต ท, ทุกเช้าก็ให้ถือว่าเหมือนกับการเดินตรงกลมแล้วก็มีสติรู้ตัวเวลาก้าวเดินเวลาเปิดฝาบาตรแล้วก็ปิดฝาบาตรนะก็เป็นการปฏิบัติถึงเวลาฉันการฉันนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติได้ รู้กายรู้ใจรู้เวทนารู้กายคือรูอ้เวลามันเคลื่อนไหวมือไปมารู้เวทนาก็คือรู้ถึงความรู้สึกอร่อยนะเวลาอร่อยมันก็ให้สุขเวทนาแก่เราเวลากินเผ็ดร้อนเกิดทุกขเวทนาก็รู้นะแต่ใหม่ๆก็รู้ยากนะเพราะว่า ใจมันก็จะเข้าไปจมอยู่กับเวทนานั้นก็คือปลื้มเวลากินอาหารอร่อยถูกปากหรือว่าเป็นทุกเวลาอาหารไม่อร่อยหรือว่ามันเผ็ดมันเค็มเกินไปดูใจเวลากินอาหารที่อร่อยเป็นยังไงอาหารที่ไม่อร่อยเป็นยังไงก็ดูใจไป รวมทั้งเวลาที่มันคิดนึกใจคิดนึกระหว่างที่กินเนี่ยไม่ว่าปฏิบัติเก่งแค่ไหนเวลาหรือเพ่งแค่ไหนเวลากินอาหารเนี่ยมันเพ่งไม่ไหวมันก็จะฟุงงะฟ้งได้ง่ายจะฟุ้งได้ง่ายก็จะเห็นใจเห็นใจที่ปรุงแต่งเห็นความคิดถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ดูไปเรื่อย ทำเล่นๆนะหลวงพ่อพเตียนท่านบอกเอาไว้ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆทำเล่นๆคือว่าทำแบบไม่ได้เพ่งไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อยากจะเอาชนะไม่ได้อยากเป็นอะไรไม่ได้อยากจะมีอะไรมันมันเผลอมันมันฟุ้งไปก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ไม่โมโหตัวเองไม่งุนงิดตัวเองแต่ทำจริงๆก็คือทำทั้งวันนะ แล้วถ้าทำ ส, สบายที่มันทำได้ทั้งวันแต่ถ้าทำแบบเพ่งทำแบบโหมทำแบบอยากจะเอาอยากจะมีอยากจะได้นี่ทำสี่ห้าชั่วโมงก็เครียดและถ้าทำนานกว่านั้นก็รู้สึกหนักหัวแน่นหนะ้าอกถ้าทำต่อไปหลายวันบางทีตัวเกร็งเลยนะบางคนที่ตัวเกร็งตื่นขึ้นมาแต่เชา้านี่เกร็งเหมือนกับเป็นลมไม่รู้สึกตัว รู้ตัวแต่ว่าขยับเคลื่อนอะไรไม่ได้นะพอไปส่งโรงพยาบาลก็หายเลยแต่ว่าตอนอยู่วัดนี่มันเกร็งเลยเพราะว่าจิตมันเพ่งเพ่งจนกระทั่งเพียงแค่นึกถึงการปฏิบัตินั้นแหละก็เกร็งจนกระทั่งเหมือนกับว่าเป็นลมอย่างนั้นแหละแต่รู้ตัวแต่คุมนะคุมตัวเองไม่ได้ แบบนี้ก็มีบางคนช่วงมือสร้างจังหวะมือก็ติดค้างน่ะขยับไม่ได้ขยับขึ้นก็ไม่ได้ขยับลงก็ไม่ได้เป็นชั่วโมงช่วโมงหลวงพ่อคำเกลิงเคยเล่าให้ฟังะตั้งแต่ทําวัดเช้าจนถึงฉันเสร็จเห็นโยมคนหนึงไม่มาไม่รู้ไปไหนไปเรียกที่กุติเขาก็ตอบรับแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นอะไรมือเป็นค้าง สร้างจังหวะแล้วมือค้างบอกว่าตั้งแต่เช้ามาทำวัดไม่ได้เพราะมันค้างเนี่ยคิดดูที่กี่ชั่วโมงค้างแบบนั้นเนี่ยนี่เพราะว่าทำจริงทจริงจังมาก <c oughs> การจลสติเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจาสติคืออะไรนะสตินี่ถ้าพูดถึงความหมายทั่วๆไป ก, ก็คือความรู้ตัว อย่างเช่นเวลาคนที่สลบแล้วก็พอเขารู้ตัวขึ้นมาเราก็บอกว่าเขาได้สติเขามีสติกับคืนมาแล้วนะหรือว่าคนบ้าทําอะไรก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติสตังนะสติในความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจก็คือว่ารู้ตัวแต่ถ้าพูดถึงความหมายในทางปริยัตินะ รู้ตัวนี่เป็นเรื่องของสัพปพปัญญะอย่างนวโกว่าเนี่ยทำที่มีอุปการะมากมีสองคือสติและปัญญาอสติและสัม ป, ปชัญญะสติคือความระลึกได้สัพปพปัญญาคือความรู้ตัวหน้าที่ของสติจริงๆเนี่ยคือความระลึกได้จําไดนะ้นะนี้อย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปซ้ำกสัญญานะแต่ว่าพูดไปเดี๋ยวก็จะสัสบสนเอาแค่ว่าสติคือความระลึกได้จําได้ มันก็คู่กับสัมปชัญญะนะก็คือว่าถ้าเรามีสติเราก็มีความรู้ตัวแต่ว่าความรู้ตัวของคนทั่วไปที่ว่าตื่นจากสลบเนี่ยมันยังไม่ใช่สติไม่ใช่ว่ามีสติต่อเนื่องนะคือตื่นตื่นหลับหลับรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างลืมลืมตัวก็บ่อยไปนะคนที่เดินเถินไปนะคุยรู้เรื่องเหมือนกับพวกเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยลืมตัวไปไม่รู้กี่ครั้ง อันน้นเรียกว่าไม่มีสติแต่ว่าสติที่เราอธิบายหรือพูดว่าจำได้รละลึกได้เนี่ยจริงๆเราก็ใช้อยู่ทุกวันนะแต่เป็นสติแบบพื้นๆเช่นเวลาเราจะเดินทางมาที่วัดป่าสุโโตแล้วก็จำได้ว่ารละลึกได้ว่าต้องขึ้นรถที่บขศนะ ต้องซื้อตัว๋วกรุงเทพแกล้งเคาะนะอันนี้คือจำได้หรือว่าขับรถมาแล้วก็จำได้จะต้องมาทางถนนมิตรภาพเราใช้ความจำกว่าจะเดินมาถึงที่นี่เดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยตัวที่ทำให้เราจำได้ว่าต้องมาทางนี้ต้องมาขึ้นรถอะไรเนี่ยคือสตินะความระลึกได้ความจาได้บางทีสติมันก็มาโดยที่เรา ไม่ทันตั้งใจนะ ส, สติที่เกิดจากความตั้งใจก็มีคือความระลึกได้จำไดนะ้จำได้ว่าลูกเราเกิดพอส อ, อะไรจำได้ว่าเราเกิดวันอะไรอันนี้เราตั้งใจคิดมันก็ออกมาแต่บางทีตั้งใจคิดก็ไม่ออกมานะเช่นเห็นหน้าเพื่อนแต่นึกชื่อไม่ออกนะตอมาเป็นบ่อยระยะหลังนึกชื่อไม่ออกแต่ว่าพอทำอะไรไปสักพักเดี๋ยวมันแว บ, บออกมาอ้อ เขาชื่อนี้เองเนะไอตัวที่แวบออกมาก็คือความระลึกได้จําได้ว่าว่าเขาชื่อนี้นี่ก็สติสติหรือความจําได้หลายครั้งมันออกมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นเราคุยอยู่คุยกับเพื่อนอยู่เพลินๆก็ต้องขึ้นมาได้ว่าตอนนี้ได้เวลาทําวัดละไอความระลึกได้ว่าได้เวลาทําวัดแล้วเนี่ยนี่ก็สติ สติมันทำงานเองเพราะว่าเรามาทำวัดเวลานี้บ่อยๆถึงแม้เราจะคุยกับเพื่อนหรือทำงานจนเพลินแต่ว่าสติมันก็จะแว บ, บออกมาให้เราจำได้ว่าอตอนนี้ต้องวางงานแล้วอตอนนี้ต้องหยุดคุยแล้วไปทำวัดกันหรือกาลังเดินจงกรมอยู่เพลินๆกำลังได้อารมณ์ก็นึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้ได้เวลาปฏิโมกแล้วบ่ายสี่โมงหรือห้าโมงเย็น ความระลึกได้ว่านี่คือเป็นเวลาปฏิโมกหรือเวลาทําวัดเนี่ยมันออกมาเองมันออกมาเองแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจเลยแต่พอออกมาแล้วนี่ก็ทําให้เรารู้ตัวไอ้ที่เคยเพลินอยู่กับการการพูดการคุยหรือเพลินอยู่กับการปฏิบัติมันก็กลับมารู้หน้าที่บางทีเราเพลินกับการดูโทรทัศน์ใช่แล้วเราก็จําได้ว่าโอเราตั้ง ตั้งหมอ้อต้มน้ำเอาไว้หรือนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้เรานัดเพื่อนเอาไว้นะนึกมาได้ว่ากาลังทำงานอยู่บนเพลิงก็นึกได้ว่าต้องไปรับลูกเลยเวลารับลูกไปแล้วอันนี้ไอ้ตัวที่ทำให้เรารู้ว่าได้เวลาไปรับลูกได้เวลาไปไปได้เวลาไปยกน้ายกการน้ำขึ้นจากเตาเนี่ยอันนี้คือสตินะ คือความระลึกได้มันเกิดทั้งความตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจนะอันนี้นอกจากความระลึกได้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วยังรวมถึงว่าการระลึกข้อธรรมการระลึกข้อธรรมนะก็เป็นสติหน้าที่ของสติเหมือนกันนะเช่นเราเสียอกเสียใจที่ของหาย เสร็จแล้วเราก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันเป็นธรรมดาสิ่งทลายทั้งปวงไม่เที่ยงจะไปยึดติดถือมั่นทำไมไอ้ข้อธรรมนี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งใจและตัวที่ทำให้โผล่มาก็คือสตินะหรือว่าเรากำลังกังวลกับเรื่องอนาคตเดือนหน้านะจะจะต้อง ไปทำงานแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะจะชอบงานนั้นหรือเปล่าก็ระลึกขึ้นมาได้ว่ากังวลอยู่กับอนาคตนี่มันไม่มันไม่มันไม่ใช่คนเราไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพ่อหลวงสิงี่ถึงถึงสิ่งที่อักมาไม่ถึงอันนี้คือบทสวดมนต์ที่เราสวดประจำเป็นพุทธภา ษ, ษิตระลึกขึ้นมาได้ระลึกได้ข้อธรรมก็ทำให้เราปล่อยวางนี่ก็สตินะ รวมทั้งการราลึกได้ว่าเราจะต้องตายบางทีเพลินกับการสนุกสนานเพลินกับการเที่ยวเตะหรือเพลินกับการทํามาหาเงินเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าสัวันนึ่งเราต้องตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแล้วสิ่งที่เราหามามันก็ไม่ช่วยให้เราตายสงบด้วยพอนึกขึ้นมาได้เช้นนี้มันก็หายหายบ้า แล้วก็กลับมาสนใจเรื่องธรรมะอันนี้ก็สติทาหน้าที่ทำให้เราเระลึกธรรมะได้นะช่วยทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตยอย่างมีทิศ ม, มีทางตอนนี้สติที่เราพยายามปฏิบัติกันเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งสองอย่างหรื อ, อจหรือไม่ใช่ข้อแรกอาจจะเป็นข้อที่สองก็คือการระลึกข้อทราได้แต่ว่าที่เราปฏิบัติกันจริงๆนะก็คือความระลึกได้ ในกายและใจหรือระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่นะระลึกได้ว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่นะีที่เราที่เราพยายามฝึกกันเนี่ยนะเป็นการระลึกได้ในเรื่องกายและใจบางที่เรากําลังนั่งอยู่ตอนนี้แต่ใจไม่รู้ไปไหนไอ้ตอนที่เราใจเราเพลินไปเราเร า, เราไม่รู้แล้วว่าเรากําลังนั่งอยู่ นะหรือเราสวดมนต์อยู่เนี่ยปากก็สวดมนต์ไปแต่ใจไม่รู้ไปไหนไอ้ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าลืมตัวนะลืมตัวนะเสร็จแล้วพอมีสติขึ้นมาก็คือระลึกได้ว่านี่เรากำลังกาลังสวดมนต์อยู่นี่เรากำลังฟังธรรมอยู่ความรู้ตัวก็กลับคืนมานะการที่เราระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้เนี่ยนี่เป็นหน้าที่ของสติ กินข้าวใจลอยลืมไปว่ากําลังกินข้าวอยู่นะบางทีกินกินลูกชิ้นไปนะกินหมูไปกินไก่ไปแล้วก็ไม่รู้ว่ากินนะพอมารู้ตัวอีกทีเอ๊ะมันหายไปไหนมันนึกตัวทีอ๋อเราเราเพิ่งกินไปเมื่อกี้นี้นะเนี่ยให้ความระลึกได้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยแล้วทาให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่แหละคือสติ ขณะที่เราใจลอยเราไม่รู้ตัวเราลืมตัวไปสติทําหน้าที่ดึงจิต ก, กลับมาทําให้เรารู้ตัวทําให้เราอยู่กับเนื้อกับตัวนะทําให้เกิดความรู้สึกตัวนี่แหละคือหน้าที่ของสติมันทําให้เราระลึกได้จําได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่พอระลึกได้ปุ๊บ ก, กลับมาปั๊บเลยนะและสติตรงนี้เนี่ย มันไม่ได้เกิดจากเจตนาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจไม่เหมือนกับเวลาเราจะนึกชื่อเพื่อนหรือเวลาเราจะนึกว่าจะเดินทางไปวัดป่าสุขโตจะใช้ถนนเส้นไหนดีมันออกมาเองความจำมันออกมาเองแต่ว่าสติที่ทำให้เราเระลึกได้ว่ากาลังทาอะไรอยู่เนี่ยมันจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากความตั้งใจนะเพราะตอนนั้นเราเผลออยู่เรากำลังคิดเพลนเลย แต่มันกลับมาจิตกลับมาได้ก็เพราะามีสติที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจแต่ว่าฝึกได้นะก็คือฝึกให้ระลึกได้บ่อยๆระลึกได้บ่อยๆใหม่ๆเนี่ยทำวัดสวดมนกว่าจะระลึกได้แล้วกลับมาเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาเป็นนาทีแต่ว่าพอทําไปทําไปมันก็จะกลับกลับมาเร็วเข้าเร็วเข้าหรือเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยสังเกตมาใจเราก็ลอยไปโน่นไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดแต่และเรื่องเนี่ยคิดยาว เดินกลับไปกลับมาสีห้าครั้งก็ยังคิดเรื่องเดิมแต่ยืดยาวหรือบางทีเปลี่ยนเรื่องคิดเหมือนกับขบวนรถไฟมีหลายขบวนมีหลายตู้คิดจากเรื่องนี้ก็กระโดดไปเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นก็กระโดดไปเรื่องนี้ยืดยาวแลนนี่พาอไม่มีสติแต่พอมีสติเข้าเริ่มฝึกการเจริญสติก็จะรู้ได้ไวขึ้นแต่ก่อนคิดไปสิบเรื่องถึงจะรู้ตัวถึงจะรู้ว่ากาลังเดินจงกรมอยู่ หรือระลึกได้ว่ากําลังเดินจงกรมอยู่ต่อไปต่อไปต่อมาต่อมาก็จาก10เรื่องก็เหลือ8เรื่องห้าเรื่องหกสี่เรื่องความฟุ้งมันก็จะสั้นลงสั้นลงนะแล้วก็กลับมารู้ตัวได้ไวขึ้นอันนี้เพราะสติคือความระลึกได้มันทํางานได้เร็วคือระลึกได้ไวระลึกได้เร็วนะความลืมมันก็หดสั้นลงสั้นลงสั้นลง อันนี้ก็คือสติในความหมายที่ว่าระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะไม่ว่าจะเป็นกระทาทางกายหรือกระทาทางวาจาหรือกระทาทางใจก็ตามนะบางทีเราพูดผิดไปปุ๊บอ่นึกขึ้นมาได้ก็ก็แก้เสียใหม่นะแต่ถ้าไม่มีสติพูดผิดไปยังไม่รู้ตัวเลยกว่าจะระลึกได้โอ้ พูดจบไปแล้วเป็นครึ่งชั่วโมงถึงระลึกได้เมื่อกี้เราพูดผิดไปนะเราเอ่ยชื่อคนผิดไปหรือว่าเราให้ข้อมูลที่ผิดไปนะแต่ว่าถ้าเรามีสติมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นในการระลึกไดนะ้นี่คือสิ่งที่เราพยายามฝึกแล้วก็ฝึกต่อไปเราก็จะฝึกในเรื่องการให้จดจําสภาวะอารมณ์ได้ระลึกสภาวะอารมณ์ได้ เช่นความโกรธนะความฟุ้งซ่านนะความหดหู่ท้อแท้ความโลภไอ้พวกนี้เป็นเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเสร็จมันทุกทีเลยเพราะว่าเราเราจำเราจามันไม่ได้เหมือนกับว่ามันมีคนเนี่ยที่คอยมาหลอกเราตลอดเวลาหลอกแล้วหลอกเล่าแต่เราก็ยอมให้หลอกหรือเราก็ เผือใ ห, ให้หลอกเพราะว่าเราจาไม่ได้ไว่าคนเนี้มันเคยมาหลอกเราคนเนี้เป็นคนไม่ดีคนนี้เป็นเป็นโจรจำไม่ได้นะคนบางคนก็มีความจําสั้นนะจาไม่ได้มีบางคนนี่จาความจําสั้นขณะที่เรียกว่าพูดคุยอยู่แนะนำตัวอยู่ว่าอันนี้คนนี้คือชื่ออะไรชื่ออะไรคุยไปคุยมาสักสองสามนาทีอา้าวจาไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไร อันนี้เรียกว่าเป็นโลกเป็นโลคความจำสั้นมากมีคนหนึ่งไปหาหมอไปหาหมอไปหากี่ครั้งหมอก็ต้องแนะนำตัวว่าชื่ออะไรนะแล้วพอคุยกับหมอได้สักพัก ก, ก, ก็ถามวา่าคุณเป็นใครหมอก็ต้องแนะนำว่าผมคือหมอนั้นหมอนี้นะความจำสั้นมากนะ แต่นี้ถือว่าเป็นความผิดปกติคนธรรมดาเขาไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่ากำลังเปรียบเทียบว่ า, าถ้าเราเนี่ยจำอะไรไม่ได้เนี่ยหรือจำความจำสั้นเนี่ยมันก็จะถูกหลอกได้ง่ายถ้าเกิดว่าคนที่มาหาเนี่ยเป็นคนไม่ดีอารมณ์ก็เช่นเดียวกันอารมณ์ที่มันเข้ามาหาเข้ามาครองใจอยู่เป็นประจำความโกรธความเศร้าความเบื่อหน่าย มันเข้ามาครองใจเราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราเราจำมันไม่ได้จำสภาวะ <c oughs> ก็เรียกว่าจำสภาวะไม่ได้จำสภาวะอารมณ์ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติไปฝึกดูมันดูมันบ่อยๆ <c oughs> ก็จะจำได้รู้รู้เลยว่าเวลาโกรดนี่มันเป็นอย่างไรมันร้อนเ่าเวลาเวลาตกใจนี่อาการเป็นอย่างไร นะเวลาปวดนะนะมันรู้สึกอย่างไรและเวลาใจที่โปร่งโล่งเบาสบายเป็นอย่างไรแลนะพอจิตเนี่ยจำสภาวะรมได้ไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่ากุศลหรืออกุศลนะพอมันเกิดขึ้นอีกทีก็จำได้ไวขึ้นไวขึ้นแต่ก่อนโกรธแล้วก็ไม่รู้ตัวว่ากโกรธแต่ต่อไปก็จะรู้ได้ไวขึ้นเพราะว่าจ สภาวะหรือจำอารมณ์ได้เราเระลึกได้เลยว่าโอ้เวลาจิตปกติเป็นอย่างนี้เวลาจิตเบาสบายเป็นอย่างนี้แต่เวลาฟุง้งเวลาปรุงแต่งมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยฟุ้งไปปรุงแต่งไปก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราไม่เคยสัมผัสกับจิตที่เป็นปกติที่โล่งโปร่งจากความคิด เป็นจิต ท, ที่สงบอย่างไรเราเราไม่เราไม่รู้เพราะว่าไม่เคยสัมผัสมันก็เหมือนกับคนที่เห็นแต่สีดำเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าสีดำเป็นสิ่งที่ผิดปกติแต่พอเห็นสีขาวได้เห็นสีขาวบางก็รู้แล้วว่าอนอกจากสีดำแล้วก็มีสีขาวนะเราก็จะรู้และเทียบเคียงได้ว่าสีดำนั้นมันเป็นความไม่ปกติ ตก่อนนี่ฟุ้งไปก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดปกตินะว่าจิตมันลืมตัวไปแล้วแต่ต่อมาฝึกปฏิบัติฝึกไปฝึกไปรู้จักปล่อยรู้จักรู้ทันความคิดปล่อยวางมันได้จิตได้สัมผัสกับความว่างจากความคิดโปร่งเบาก็รู้สึกก็รู้เลยว่าเอ้เวลาจิตมันไม่จิตฟุ้งซ่านนี่มันมันไม่ปกตินะมันเอียงนะมันเอียงกระเท่เล่นนะทีนี้พอมันเกิดขึ้นเราก็รู้รู้ได้ไวคือรู้ได้ไวขึ้นก็ อันนี้เรียกว่าระลึกได้เพราะว่าจําสภาวะได้เนะมื่อจําได้ ก, <ๆ>ก็ปล่อยวางนะก็ไม่ไปไม่ไปเอากับมันนะไม่ไปยุ่งไม่ไปเกี่ยวกับมันหรือที่หลวงพ่อคำเกี่ยวใช่ก็ไม่เข้าไปเป็นมันเห็นไงเห็นแล้วจาได้เห็นบ่อยๆก็จําไดนะ้อันนี้แหละที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ย จะเข้าใจสภาวะอารมณ์ต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าเราเห็นมันบ่อยๆและการเห็นบ่อยๆก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไม่ตกหลุมหรือถูกอารมณ์เหล่านี้มาคลองใจเวลาฟูเวลาแฟบเนี่ยเราไม่เคยไม่เคยรู้ตัวเพราะเราลึกไม่ได้ว่ามันมันเป็นความไม่ปกติอย่างไรบ้าง แต่พอเราเห็น บ, บ่อยๆบย่ว่ า, าเราจําได้นะก็ทําให้เรานะมีจิตที่เป็นปกติมากขึ้นอันนี้ร่างกายของเราก็เหมือนกันนะร่างกายงเราก็ทํางานแบบนี้แหละคือภูมิด้านทานในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมันทํางานได้ก็เพราะมันจําได้ว่าตัวนี้เป็นเชื้อโรคเวลาเชื้อโรคถ้าเป็นเชื้อโรคตัวใหม่ๆมาเนี่ยมันไม่เคยเห็น มันก็โดนชื่อโรคพวกนี้แหละเล่นงานแต่พอแต่พอโดนเล่นงานแล้วเนี่ยมันก็จําได้วันอ้อนเนี่ยคือเชื่อโรคแล้วพอชื่อโลกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันรู้แล้วมันจําได้มันจําไ ด, มได้มันก็ส่งส่งลูกน้องไปไปกินไปทําลายเชื่อโลกนั้นไอ้ชื้อโลกในร่างกายถูกทําลายเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจําได้แต่ถ้าเกิด เป็นเชื้อโรกตัวใหม่หรือแปลงกายมาเป็นรูปลักษ์ใหม่มันก็จําไม่ได้อีกนะมันจํามันภู่มต้นทางเรานี่มันจําแบบซื่อๆมากคือถ้าถ้าใส่หนวดเติมหนวดใส่แว่นนิดเดียวเนี่ยมันจาไม่ได้แล้วอย่างโรคหวัดเนี่ยโรคหวัดนี่มันทำไมเราเป็นหวัดกันได้บ่อยๆปีละหลายครั้งก็เพราะว่าหวัดแต่ละตัวที่เข้ามานี่มันมันไม่เหมือนกันมันมีการกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆหวัดตัวนี้มาอ้า ร่างกายเราจําได้ภูมิต้านทานจําได้แต่พอวัดตัวน้องมาหรือวัดตัวพี่มามันจําไม่ได้ละเพราะว่าหน้าตาไม่เหมือนกันนะหรือบางทีมันก็ปลอมมานะที่มนุษย์เราเนะติดเชื้อกันง่ายเช่นวัดนกโรคไข่ซ่านี่ก็เพราะว่าเราไม่เคยเจอไม่เคยจําไอ้โรคพวกนี้ได้ในภูมิต้านทานของเรา แล้เ น, นี่ยเรื่องพราะนเรื่องความจําเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะการที่คนเราจะไม่ป่วยใจนะไม่ถูกอารมณ์ครอบงําก็เพราะว่าจิตมันจําได้แล้วมันไม่ยอมให้มาครอบงําตัวที่จําได้คือสตินะนี่คือการปฏิบัติการปฏิบัติของเราก็เพื่ออันนี้แหละก็คือเพื่อให้จิตมันจําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอความเครียดเวลาเราเจอความเบือ่อเวลาเราเจอความ หุดหงิดเนี่ยอย่าไปโมโหนะเพราะว่ามันกำลังเปิดโอกาสให้ให้จิตเนี่ยจำสภาวะอารมณ์ได้ต้องเจอจ<ะ>บ่อยๆเจอ<ะ>บ่อยๆแล้วมันก็จะรู้ทันพอเกิดขึ้นใหม่แล้วก็จะถูกมันหลอกได้ได้ได้ได้ไม่นานนะบางคนเวลาปฏิบัตินี่ก็ต้องการให้จิตนี่มีแต่ความสงบอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นเลยนะ อยากจะให้จิตมีแต่ความสงบมีแต่ความโปร่งโล่งไอความรู้สึกอย่างอื่นไม่เอาเวลามันเกิดขึ้นก็จะไม่พอใจหงุดหงิดก็ไม่พอใจเครียดก็ไม่พอใจมีปฏิกิริยาต่อต้านนะอันนี้แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะมันเป็นประโยชน์ในการที่ทําให้จิตเราเนี่ยหรือสติเราเนี่ยได้มีอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นนะ ให้เราเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับเราก็อย่าไปปฏิเสธมันเพราะว่านี่คือสิ่งที่จะช่วยทำให้จิตได้เรียนรู้ทำให้สติของเราเนี่ยฉับไวเข้มแข็งรือพอคาเขียนแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็บอกว่านะอะไรเกิดขึ้นก็ช่างมัน่นะจะคิดดีคิดชั่วก็ช่างมันนะทุกอย่างเป็นของดีทั้งนั้นนะโดยเพราะถ้าเป็นการเจริญสติหรือการการทำกรรมฐานแบบวิปัสสนา ถ้าต้องการปฏิบัติแบบสมัติคือต้องการความสงบเราจะไม่ชอบอารมณ์ที่เป็นอกุศลเพราะว่ามันเป็นปฏิปักษ์เป็นอริกับความสงบแต่ถ้าในการเจริญสติหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นของดีเพราะว่าล้วนแต่สอนให้เราเห็นถึงธรรมชาติ ของสิ่งทั้งปวงก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนไม่ว่าความดีใจความเสียใจก็มีความหมายเท่ากันสอนธรรมะข้อเดียวกันคือสอนเรื่องไตรลักษณ์ความโกรธกับความสบายใจก็สอนอย่างเดียวกันคือสอนไตรลักษณ์แลาการเจริญกรรมฐานเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อเข้าใจไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตา และทั้งกุศลและกุศลมันสอนอย่างเดียวกันแต่ถ้าจเจ้าความสงบเนี่ยนะก็ต้องเอาแต่กุศลนะอกุศลไม่เอามันมีความรู้สึกเลือกที่รักมากที่ชังนะการปฏิบัติสมถานี่มันมีความรู้สึกเลือกที่รักมากที่ชังแต่ว่าการปฏิบัติแบบวิปัสสนานี้ mm hmm. เรียกว่าเปิดรับทุกอย่างเพราะว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับใจ รวมทั้งเวทนานะ่าจะสุขเวทนาทุกขเวทนาก็ล้วนแต่เป็นครูสอนธรรมะข้อเดียวกันสอนเรื่องไตรลักษณ์ซึ่งถ้าเราเข้าใจแจ่มแจ้งเราก็จะเกิดปัญญาถึงขั้นหลุดพ้นได้ใ้การเจริญสติอย่างรุปมัเที่ยนี้ก็เหมือนกันนะท่านเน้นเพื่อเป็นบาดฐานของการไปสู่วิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อะไรเกิดขึ้นก็เห็นเฉยเฉยไม่ผลักไสแล้วก็ไม่ไ ข, ขวคว้า สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ผักใสสิ่งดีๆก็ไม่ไขว่คว้าก็เพียงแต่เห็นมันไม่เข้าเปดเป็นที่จริงการเจริญสตินี่มันก็เป็นบาทฐานทั้งเป็นเครื่องมือของสมถะก็ได้เป็นเครื่องมือของวิปัสสนาก็ได้นะก็ทั้งเวลาที่เราเจริญสติเพื่อรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันจะมีอยู่สองช่วงนะัคือรู้แล้วก็ละ พอเรารู้แล้วเราก็ละละแล้วก็ใจก็สงบถ้ารู้แล้วละอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นสมถะแต่รู้แล้วเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจอันนี้มันเป็นวิปัสสนาอันนี้มั น, มนเพราะฉะนั้นในการเจริญสติเนี่ย <Yeah. S 2> ไม่ใช่ว่ามันจะกลายเป็นวิปัสสนาไปลุ่ <Yeah. S 2> ไปไปโดยอัตโนมัตินะนะกเราเจริญสติเราเจริญสติสตแต่ว่ารู้แล้วก็รู้ว่ามีรู้ว่าโกรธรู้ว่าโมโหรู้ว่าหงุดหงิดแล้วก็วาง ถ้าทำแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นแค่สมถะแต่ถ้าว่าเราสามารถจะเห็นต่อไปว่าโอ้ไอที่กโกรธนี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นนามที่โกรธนะไม่ใช่เรากโกรธไอที่เดินเนี่ยมันเป็นรูปที่เดินไม่ใช่ไม่ใช่เราเดินนะตรงนี้ก็เริ่มเกิดปัญญาแล้วเพราะว่าเป็นการมองเข้าใจเรื่องปรามัติคือรูปและนามนะถ้ารู้แล้วถ้ารู้แล้วละเนี่ยมันแค่สมถะก็คือสบายนะ รู้ตั ว, วโกรธวางความโกรธได้สบายแต่ทะลุต่อไปว่าไอ้ที่โกรธเนี่ยไม่ใช่เราโกรธมันเป็นมันเป็นนามนะไอ้ที่เจ็บนี่มันไม่ใช่เจ็บนี่นเป็นรูปไอ้ที่เดินนี่ไม่ใช่เราเดินนี่มันเป็นรูปที่เดินนะถ้าเกิดเข้าใจอย่างนี้เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนสู่วิปัสสนาได้ให้เราต้องแยกให้ได้นะระหว่างสมถะกับวิปัสสนาแม้แต่อย่าไปคิดว่าสมถะจะเป็นเรื่องของการไม่รู้อย่างเดียว คือไม่รับรู้อารมณ์อะไรเลยอยู่แต่ในห้องไม่รับรู้เสียงเสียงดังไม่รับรู้ว่าจะมีใครมาหารู้แต่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกไม่มีอะไรมารบกวนแล้วก็ไม่ยอมที่จะรับรู้สิ่งที่จะมารบกวนจิตใจไม่ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนไม่ไปทำงานทำการเพราะอยากจะอยู่กับความสงบสงัดอันนี้เราเป็นความสงบเพราะไม่รู้สงบเพราะไม่รู้นี่ไม่ยากนะใครๆก็ทาได้ นะไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ฟังข่าวไม่ได้ดูหนังสือพิมพ์ไม่ได้ดูโทรทัศน์นะไม่ต้องไปทํางานไม่เจอผู้คนมันก็สงบได้อันนี้เราสงบเพราะไม่รู้นะหรือไม่รับรู้แต่ว่าสงบเพราะรู้ก็มีนะเพราะว่าพอ ร, รู้แล้วก็วางอันนี้ต้องใช้สติแต่ว่าถ้ารู้แล้วก็วางหรือรู้แล้วก็ละมันก็ยังเป็นแค่สมถะนะ แต่ว่าถ้ารู้แล้วก็รู้แล้วก็เห็นแล้วก็เข้าใจนะหรือว่าเข้าใจเรื่องที่มันเป็นรูปเป็นนามกรจำมันก็ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องรูปและนามไม่มีตัวเราเป็นผู้คิดไม่มีตัวเราเป็นผู้เดินอันนี้มันก็เป็นขั้นตอนสู่วิปัสสนาคือการเข้าใจเรื่องปรมัตญาแล้วก็เราปฏิบัติไปนะมัน ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือไม่แต่กินข้าวกิจวัตรประจำวัน ห, หรือการปฏิบัติในรูปแบบก็ล้วนแต่เกินหนุนกันอย่าไปคิดว่ากิจวัตรประจําวันไม่สําคัญอย่าไปคิดว่าการทํางานไม่สําคัญนะการทํางานก็เป็นการปฏิบัติทําได้โดยเพราะมันช่วยในเรื่องของการการกระตุ้นตัวตัวกิเลสให้ออกมาบางทีเวลาปฏิบัติในในกุตติเนี่ย เดินจงกลมคนเดียวในกิเลสมันหลบนะเราก็คิดว่าเราเก่งแล้วอะแต่พอออกไปทํางานเนี่ยเจออะไรมากระทบหน่อยกิเลสมก็ออกมาเลยมันก็เผยเหยอหน้าออกมาคนฉลาดเขจะรู้ว่าอ้ออันนี้เป็นของดีนะเพราะมันทาให้เราเห็นตัวเองว่ากิเลสมันซุกซ่อนอยู่ตรงไหนมันมันจะโผล่มาตอนไหนเราก็ได้ความรู้นะตอนนี้ก็เกิดปัญญาเหมือนกัน เราก็จะรู้ต่อไปเราก็จะรู้ว่าจะหาทางจัดการกับมันอย่างไรถ้าเราอยู่แต่ในที่สงบสงบนะกิเลสมันฉลาดมันซ่อนมันส่งแต่ลูกน้องตัวเล็กๆมาแต่ตัวใหญ่นี่มันซ่อนอยู่เราก็ตายใจนึกว่าปฏิบัติธรรมก้าวหน้าแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกเราโดนมันหลอกดงนั้นวิธีที่จะรู้ว่าถูกมันหลอกหรือไม่ก็ต้องออกไปเจอผู้คนออกไปทํางานนะเจออะไรที่มันเขยาว ขย่อจิตขย่อใจเดี๋ยวกิเลสมันมันทนไม่ไหวมันก็ออกมาแผ่พนะเยะพะเ ย, ะเยะหน้าชูคอออกมาเราก็รู้มันละนะมันต้องบางก็ต้องล่อให้กิเลสออกมานะเพราะเราก็ไม่ไน้ใจวมันซ่อนที่ไหนคนที่เขาจะทำสงครามดี่เขาต้องโยนระเบิดควันเข้าไปเพื่อให้พวกที่ซุกซ่อนอยู่ในตึกในถ้า ม, มันออกมานะแต่นี้เราไม่ต้องทาขนาดนั้น เราก็แค่ทำงานไปเจอผู้คนเจอแรงเสียดทานเดี๋ยวออกมาแล้วเห็นมันก็ได้ประโยชน์ได้กำไรเอาราก็พูดกันเท่านี้อ่ะคำนี้กลับพาพร้อมกัน